แต่กําลังที่จะมาขจัดปัดเปล่าออกได้เร็วนั้นจะ ต, ต้องใช้กฎอันที่สมก็คือการเพิ่มพูนกําลังเพิ่มพูนน้ําหนักเพิ่มพูนความแม่นยําเพิ่มพูนพละกําลังของอตัวตัดนี้เคือเรียกว่าภาวนาเมื่อเราสามารถที่เข้าไปขจัดปัดเปล่าได้อย่างถูกต้องแล้วแล้วรักษากําลังแห่งการ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 ทุกข์ธาตุมนัสสานังอัตังขมาย ะ, ะโศกปริเทวนังสมติกมายะความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ความคล่ลำโควนควา ม, า ม, วามห่วยหาความไม่สบายทุกทระทมขมคืนจะตั้งอยู่ไม่ได้อา น, นิสงข์ของมันนะแล้วก็ท่านก็บอกว่ายายะสัอธิคมายะคือทําให้เราเข้าถึงธรรมที่เราควรจะถึงนิพพานสัจจิกิริยายะเราสามารถทําพนำผ่านาให้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 แต่ถ้าเรารู้เท่าทันปั dad, ๊บก็แก้ไขไปตามเหตุถ้าทุกกายก็แก้ไขทางกายถ้าทุกจิตก็แก้ไขทางจิตไปแล้วมันก็เกิดขึ้นหมืก็ขยันแก้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับมีเกิ ด, กดกตลอดเวลาเราก็ไม่ไปงุ่นงิดนลำคาญไม่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราแต่เราเข้าไปบำ บ, บัดแก้ไขจนกระทั่งการบำบัดแก้ไขเบ่อยเข้าบ่อเขา้เขาก็เกิดเป็นตัวปัญญาขึ้นมา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 ควทุกข์ที่ถูกดับไปแล้วมันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นอรูปแล้วเขาเรียกว่านามก็ยก่อแล้วอริยสี่ก็คือเรารูรูปกับนามเพราะฉะนั้นเรามารู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามก็รู้อริยสัจสี่ถ้าแจงออกไปนะนะดังนั้นเองในเบื้องต้นวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายท่านจึงเน้นให้มารู้รูปรู้นามก่อน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 ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ย้อนไปเมื่อกี้อาการที่เรา ง, ง่วงไปสุขหรือไปทุกข์สแสดงว่าเป็นทุกข์สแสดงว่าเป็นรูปหรือเป็นนาม <c oughs> <ious S 2> เออเห็นว่าต้องจับไปหาสูตร น, นั้นถ้าหากว่ามันเป็นทุกข์ก็แสดง <c oughs> ว่ามันเป็นรูปใช่ Snapchat ไหมแต่บางครั้งเราชอบที่จะง่วงอ่ะถ้าไม่ ง, ง่วงเราก็หลับตาให้มันง่ว ง, ง, ง, งบางครั้งใช่ไหมก็แสดงว่าเราชอบมันแสดงว่ามันไม่เป็นไม่ใช่เป็นทุกข์เสมอไปบางครั้ง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 เฮฉันจะไปตอบแทนคุณได้ยังไงนะถามเหมือนถามว่าคุณกินข้าวนละ้วก็จะอิ่มเมื่อไรเนยอะอันนี้คือป็นจตังคนะจะไปจบปจันนี้นจตังนั้นก็จึงอยากให้กําลังใจว่าสิ่งที่เรามาทำเเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สูงเพราะนั้นจะต้องทำด้วยความคารุทําด้วยความบูชาทำด้วยความาน้ำหมาระวังนะจะลุกจะนั่งจะยั่งจะเดินอะไรเนี่ยก็